คิดที่ว่าเป็นผู้ผู้ลิ้มผู้ดูผู้ชิมผู้เปรี้ยวผู้เข็มนะนี่คือวิญญาณเราคงไม่หลงเรียกไฟที่เกิดขึ้นที่ธรรมสถานนี้นะฮะถ้าเราคุณต้นก่อกองไฟขึ้นตะกองหนึ่งด้วยืเราคงไม่ถึงกับจับจองว่านี่คือไฟธรรมสถานเช่นเดียวกับไฟที่จุดขึ้นที่阿拉สกาคงไม่มีชาว阿拉สกาไหนโง่เง่าถึงขนาดนะบอกไฟ阿拉สกา ไฟคือไฟเป็นธาตุสากลแต่ว่าภาษาไทยเรียกไฟสัตวังอะไรชื่อหนึ่งชาวเอสิโมเรียกชื่อหนึ่งแต่ว่ามันไม่อาจถูกจับจองเป็นของอะไรได้เลยนะมันเป็นภาตสากลเช่นเดียวกันน้ําขุดลงตรงนี้ได้น้ํากับที่อเมริกาที่มาเลเซียก็เป็นน้ําเหมือนภาตุแท้ดินน้ําไฟลมไม่มีทั้งชื่อไม่มีทั้งเจ้าของแต่ไม่ใช่ไม่มีอยู่ครับมันปรากฏอยู่จริงๆ ต่มันปรากฏอยู่ในลักษณะอิงกันเกิดปัจจัยต่างๆเหมือนที่พุณเจ้าบานนี้เงี้อิทธิปฏจยตาสิ่งทั้งปวงไม่ตั้งอยู่ได้โดยตัวมันเองโดยเอกเทศมันอิงกันเกิดแต่ดึงกันหนึ่งออกอันหนึ่งจะล้มตามเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากในภาวะท้าทายในปัจจุบันนะที่มนุษย์เป็นเหตุของการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ของสัตว์บางชนิดและชวนสงสมนุษย์จะอยู่ได้หรือเปล่าเหมือนกฎของอิทธิปฏิยาตานั้นทุกสิ่งอิงกันเกิดและอิงกันดั เมือนี้ดับอันนี้จะดับวันนี้จะดับวันนี้จะดับผมว่าน่ากลัวน่ากลัวทีเดียวต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในโลกนี้ครับกลับไปสู่เรื่องวิญญาณครับวิญญาณก็เหมือนธาตุดินน้ำฝ่ายลมมันปรากฏที่นี่หรือปรากฏในขณะที่ปรากฏมันปรากฏขึ้นมันไม่พอที่เรียกวิญญาณของนายกเหมือนกับน้ําไม่พอที่เรียกน้ําของประเทศไทยเราพูดไม่ได้ครับถ้าพูดก็เป็นเรื่องสมมุติ แต่แล้เราก็ยึดติดสมมุติในทางวิญญาณว่าวิญญาณของไปเกิดแล้วคนที่ไปเกิดเป็นวิญญาณของฉันด้วยครับปัญหาเรื่องปรโลกหรืออั น, อนตรภพก็ถือเวลาเราคิดเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรามีความสงสัยว่าตัวฉันหรือเปล่าที่ไปเกิดใหม่เราไม่อาจคิดว่ามีการเกิดโดยไม่เกี่ยวกับตัวตนไฟเมื่อก่อขึ้นแล้วนะถ้าเราดับมันศูนย์ใส่ช่วในลรันดนหรือเปล่าสาเหตุปัจจัยประจมเหมาะมันก็ติดขึ้นอีก หมดที่เนียนก็ดับอีกถามว่าฐานะของไฟตั้งอยู่เป็นอะไรคำตอบคือเดียวเช้นเดียวกับมะม่วงครับคือมีแบบไม่มีครับผมกาลังชวนพูดในเรื่องโมหารที่แปลกประหลาดแล้วครับแต่นี้เป็ น, นเนื้อหาที่สาคัญมากเมื่อปัจจัยพร้อมสิ่งนั้นจะเกิดเมื่อปัจจัยดับสิ่งนั้นจะดับนะนั้นความดารงทรงอยู่ของสภาวะต่างๆนั้น อยู่นอกเหนือภาษาและความคิดภาษาและความคิดสวิงสุดขั้วไปมีก็ไม่มีเท่นั้นนะครับพระเจ้าบอกว่าท่านเองไม่ได้สอนสุดโต่งเช่นนี้ท่านาบอกถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็จะดับนั้นตัวสภาวะนั้นมันเป็นอภิยากริตครับภาษาคําพูดไม่อาจนำทางเราไปถึงที่ตรงนั้นได้ แต่ภาษาและคำพูดนำทางมาสู่กุญแจซึ่งล็อกอยู่เท่านั้นครับนำมาสู่บ้านซึ่งประตูล็อกตายอยู่แต่ว่าภาษาดีนะครับถ้าไม่มีคำพูดของพระเจ้าแนะนามาเราจะไม่มาที่ ท, ที่ที่ประตูใจเราได้ครับเราไม่อาจเชื่อได้เลยว่าเราจะบรรลุ ถ, ถึงอะไรทางใจได้สมมติอยู่ดีๆนะพระเจ้าไม่เกิดมาผู้รู้ไม่เกิดมานะพวกเราคงคงเหมือนกันผมหรือท่านก็เหมือนกันคงต้องหาเงิน เลี้รงลูกต่อสูไม่มีข่าวคลาลเลยว่าทางรอดอยู่ตรงไหนมันไม่มีนะครับแต่พอพระพเจ้าเกิดขึ้นมาท่านใช้ภาษาครับแล้วคาคืนทุกคาคืนของพระเจ้าคือคำคืนการตรวจสอบว่ากันว่าบางประสรูท่านเสด็จเดินจงกรมแล้วก็คืนพรนรปฏิจจทุกขบาทสะวิชาท่ า, ท า, า, น, ท า, า น, นเกิดสังขารสังขารแล้วทนเกิดวิญญาณราวเพราะว่าท่องบนมนพระภิกษุซึ่งเป็นฮินดูมาก่อนก็เข้าใจผิด สงสัยพรมท่าน ย, ยังติดนิสัยพวกฮินดูอยู่เปล่าางวัทยายมนั้ท่านบอกว่าเปล่าทา่นก็แนฟังว่าสิ่งนี้สําคัญแต่ท่านทุกคข์ขคืนการพยากรปัญหาเทาพปยดานั้นคือมิติที่ลุ่มลึกที่พระเจ้าพยาพยามค้นวิถีทางที่อธิบายมนุษย์เข้าใจได้ง่ายย้อนรอยไปอดีททตทศวรรษไปนิดนึงครับในใต้ต้นโผพเหตุการณ์ที่ใต้ต้นโพรำมนิยามปรากฏขึ้น แต่ไม่มีธรรมบัญญตัติธรรมบัญญัติถึงเกิดช่วงหลังนะครับผู้เจ้าบัญญัติขึ้นทีทล้ข้อสีแล้วข้อห้ล้ข้อข อ, ขอให้ผมใช้อัตนัยนะครับอธิบายเหตุการณ์อุปการศิวะที่สวนทางพูเพ้เจ้าพระเจ้าเสด็จไปกาศีเพื่อโปลดปัญจวัคคีนะครับเจอสวนทางกันเขาเห็นอินทรีผ่องใสเขาก็ถามว่าท่านเป็นใครอินทรีผ่องใสนะท่านชอบใจสมองใครนะักพระเจ้าบอกเราเป็นเชียมภูรู้เองไม่มีครูเราไม่ใช่ครุฑไม่ใช่นาคไม่ใช่คนทา ตธอจงจำว่าเราคือพุทธะเขาแอบลิ่ดหลอกท่านเขาไม่เชื่อครับพระพุทธเจ้ายังไม่มีธรรมบัญญัติคือคําขันห้ายังไม่ปรากฏคําว่าไตรลักษณ์ยังไม่มีใ น, ใ น, ในมิติของท่านแต่ท่านเข้าถึงที่สุดแล้วครับตอนนั้นเริ่มบัญญัติขึ้นแล้วบัญญัติขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะเช่นเดียวกับบัญญัติวินยัยธรรมะให้ถูกบัญญัติเรื่อยเพื่อหาวิธีที่จะสื่อสิ่งที่พูดไม่ออกบอกไม่ได้ให้ถึงใจมนุษย์งได้แต่แน่นอนที่สุดครับ ไม่อาจถึงใจก็ได้ถึงสมองถึงความคิดกาได้เขาเท่านั้นที่จะเข้าถึงใจเขาได้เราเท่านั้นที่เข้าถึงใจเราได้นะผู้รักสามีภรรยาเข้าถึงใจเราไม่ได้หรครับังนั้นเราไม่ควรจะฝากใจเราไว้กับใครฝากไว้กับตัวเองครับสิ่งที่พระเจ้าประสงค์จริงๆก็คือทำให้มนุษย์ทั้งหมดที่เลื่อมใสศรัทธาย้อนรอยความคิดเข้าไปสู่ ภาวะก่อนหน้าคิดแต่ว่าเราไม่อาจคิดถึงภาวะก่อนคิดได้ผมอาจจะยกตัวอย่างกบขันหน่อยนะจากเรื่ยองสยู่นะครับตัวห่งเดียเ่งหมายงพุทธิปัญญาอยู่ในถ้ำน้ำครับคนเข้าไปไม่ได้มันสวนกรแสมนุษย์เราจะเข้าถึงปัญญาท้นสูง ผู้ทีในใน่ปัญญาได้ด้วยความคิดไม่ได้ครับความคิดรังแต่จะสร้างโลกขึ้นเองโลกนี้ถูกสร้างด้วยความรู้สึกในคิดครับเดี๋ยวไปดูเครื่องบินในท้องฟ้าที่บินอยู่แม้แต่ชื่อมันก็เป็นความคิดเป็นความทรงจำรูปทรงมันเกิดจากความคิดของอินจิเนียร์ครับทุกอย่างในเครื่องบินนันความคิดทั้งนั้นครับหันไปดูโลกถนนหนทางนี่มันเมืองจึงล้อมจับเราให้อยู่ในความคิดของเราเอง อย่างร้ายเหตุผลที่สุดครับเมื่อเราไปที่ริมป่าริมบึงจิตเราโล่งเราหลุดออกจากความคิดนนเองครับที่นั่นไม่มีบรรยทธ์ดอกบัวไม่ได้ชื่อดอกบัวทะเลไม่เคยชื่อทะเลเลยเชื่อไหมครับเชื่อหรือเปล่าทะเลไม่เคยไม่เคยชื่อทะเลเลยเราไปเรียกมันขึ้นมาเองนะครับแต่ที่ลึกที่สุดคือเราก็ไม่ได้เป็นเราตามที่เราคิดครับขุมข่ายของตาข่ายของความคิดนั้นถักทอขึ้นและบทบัง สภาวะทำดั้งเดิมจริงๆซึ่งนอกเหนือระบบภาษาและความคิดถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะครับท่านจะไม่สนใจความคิดเลยไม่ให้ไม่ยอมตกเป็นทาสออกมาหนึ่งต่อไปแล้วจะเกิดการกรบฏขึ้นมาบาทีต่อความคิดแต่กบฏต่อความคิดนั้นอันตรายอยู่นะผมหมายเนีว่ามีการกอ่อ forward ของความรู้สึกตัวชีวิตสัมผัส ล, วล้วนๆนะพอกันทีสําหรับชีวิตของตักกะ พอคันธีตลอดชีวิตคิดนำทางมาตลอดเวลาแล้วมีแต่ความเจ็บปวดปวดหัวเป็นประถมคิดมากก็มึนงงคิดมากต่อ้คิดธรรมะนะแล้วคนคิดมมากนั้นเข้าข่ายที่ขอโทษนะผมไม่ได้ว่าเจาะจงกะ น, นบ้าธรรมะครับกลางคนเ ป, เ ป, เป๋ในสังคมคือลำพึงลำพันถึงธรรมะเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับในี้สุดเราจะงงมากครธรรมะมันคืออะไรกันแนะ่ แต่ถ้าเราจับความรู้สึกสดตลอดนะครับง่ายดีๆตอบตอบอีกกี่ร้อยคําก็ได้นะแต่ว่ามีรากฐานตรงความรู้สึกได้ลองฟังคำํำของผมบ้างนะครับธรรมะคือความรู้สึกที่ดีงามไม่ไม่ใช่ธรรมะคืออะไรที่มันสลับซับซ้อนนั่นเลยคือความรู้สึกที่เราปล่อยลงเบาบางธรรมะคือตัวเราครับ แต่ไม่ใช่ตัวเราที่หนักทึบและหมักหมมแล้วก็ถูกครอบงา ม, มาด้วยอารมณ์โกรธเกลียดนี่ก็เป็นธรรมะเหมือนกันแต่เป็นธรรมะทุกเมืองนั้นเราผู้ไม่รู้จึงการเป็นคนดีแต่ทุกข์ครับคําว่าคนดีแต่ทุกข์ผมก็ได้แดกดันค่ะนะคือว่าตัวเองว่าอะไรทุกๆคนนะครับว่าเวลาทุกข์ก็มานดีแต่ทุกข์ไม่พดุงในความรู้ตัวที่อยู่เหนือทุกข์ขึ้นมานะครับ มันเหมือนกับว่าเราไม่เคยใช้งานอวิยวะบางสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะผมจะเรียกในที่นี้ว่าอริยตรรมไม่มีความทุกข์อริยธะอะไร้ทุกข์นั่นคือตาของชีวิตนั่นเองครับดวงตาซึ่งมันหลับอยู่แล้วมันง่วงมันเห็นอะไรคลุมเครือตลอดเวลาเราก็ปลุกมันขึ้นมาเราความรู้สึกตัวขึ้นมามันไม่สําคัญเลยครับมันจะถูกเรียกอันเยกสติหรือไม่มไม่สําคัญเลยครับ แต่เรามัวถกเถียงปัญหาว่าสติหมาเช่นไรในสุดเรหมดเวลาวันหนึ่งในสุดปีหนึ่งในสุดสิบปีในสุดยี่สิบปีปัญหาในพุทธศาสนาไม่ใช่ปัญหาเรื่องนิรุกติไม่ใช่ปัญหาภาษาไม่ใช่ปัญหาวัฒนธรรมไม่ใช่ปัญหาการเมืองแต่ปัญหาตรงนี้ทอย่างไรจึงจะเข้าให้ถึงให้จงได้ในสิ่งที่เจ้าอยากให้เรารูวันหนึ่งท่านมือจับ ใบไม้มาแล้วก็ถามภิกษุหลายท่านรู้มาเรื่องราวนี้ดีถามภิกษุในที่ประชุมว่าใบไม้ในกำมือสถาคตกับใบไม้ทั้งป่าไหนมากไหนหน้อยกว่ากันซึ่งเป็นปัญหาที่ตอบง่ายมากครับมันเทียบกันไม่ได้เลยนะแล้วท่านบอกกับสิ่งที่ท่านสอนจริงจริงหรือเจตจำนงที่ให้คนรู้ย่างเท่าเนี้คือ เ, เรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุกข์เรื่องเหตุเรื่องความดับทุกข์ที่มีอยู่แล้วในตนคาวันนี้รอดแต่มันมีอยู่แล้วนะคร ส่วนทางท่านเพ่งประกาศท่านประกาศว่าเมื่อตาไปตามทางอ น, นี้นะก็จะไปถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วนี้ได้คือนิโรธซึ่งเป็นอยู่แล้วนะนิพพานนั้นสร้างขึ้นไม่ได้ไม่ว่าด้วยภาษาหรือด้วยเครื่องมือชนิดใดนะครับเตรียมประดุดว่าเราจะเดินทางไปเชียงใหม่ขึ้นรถดูวร์ลโพงรถไปนะหรือรถทัวร์ก็ได้ก็เดินทางนั่งนอนไปขึ้นคืนหรือจนสว่างถึงเชียงใหม่แต่เชียงใหม่ไม่ใช่ผลการไปของเรา ยังมีมีอยู่ก่อนที่เราคิดจะไปสินั้นสภาวะสิ้นทุกหรือนิโรธนิโรธธาตุมีอยู่แล้วครับสภาพดับเย็นอันนี้เป็นครูสมบัติดั้งเดิมอยู่ในตัวเราเราตายไปตามอริมักมืงแบบเพื่อเข้าถึงสิ่งที่เป็นสมบัติแท้ๆของเราด้วยครับแต่ถ้าเราใช้ความคิดเราก็สร้างนิพพานขึ้นเองเหมือนรัฐที่อื่น วันสุดท้าที่สาวกอุตไายถามถามปัญหาประเด็นสกัดกันนะครับสบวกองทุตไลสุภะถามว่าศาสนาอื่นมีพระยาเจ้าหรือเปล่ามีผู้รู้อย่างนี้หรือเปล่ามีมรรคผลอย่างนี้หรือเปล่าพระเจ้าบอกเธอมมีเวลาน้อยแล้วแล้วก็ถนอดศาสนาอื่นก็ว่างเปล่าจากมรรคผลในตับหนังคือมันไม่เหมือนกันท่านไม่ไปเสด็จเขานะผมเชื่นี่เป็นคําตอบของจอมปราดจริง ๆ, ๆที่ไม่ปฏิเสธกันื่นแต่บอกว่ามันไม่เหมือนกัน พราะคนอื่นก็สร้างมรรคผลขึ้นด้วยความคิดดังนั้นจึงมีมิจฉาสตะสิประการตรงข้ามกับสัมมัตตสิประการมิจฉาทิติเป็นปฐมแล้วก็มิจฉาสมาธิและมิจฉาญาณนะมิจฉาวิมุตติมิจฉาญาณครับคือเกิดญาณมาหลุดพ้นแล้วด้วยแต่มาหลุดพ้นแบบมิจฉาคือคือโลกของความที่มันสร้างขึ้นนะครับ ผมบอกแล้วว่าเมื่อคิดเองหลุดพ้นก็หลุดพ้นแต่มันหลุดพ้นเบาๆไปหลุดพ้นแบบแบบติดยึดอยู่ในความหลุดพ้นหรือไม่เรื่องจิตว่างนะเราบอกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็เลยไม่ยึดจริงๆแต่ว่ากลายเป็นยึดความไม่ยึดยึดถือความไม่ยึดเป็นสาระไปเลยนั้นมันเต็มไปด้วยอันตรายต่อสิ่งนี้นะครับถ้าเงื่อนต้นของความจริงอันนี้ไม่ถูกสํารวจคือระหว่าง องค์กรซึ่งแปลงความให้เป็นความหมายคือความคิดองค์กรนี้สําคัญนะร้ายกาจเมื่อเราเห็นดอกไม้ป้อมนู่คิดทันทีเลยเจะต้องเอาตัวที่อยู่นอกระบบของความคิดครับผมบอกแล้วความรู้สึกจดความรู้สึกสดนี่จะปรากฏไม่ไม่ต่อเนื่องและน้อยสําหรับคนที่ทุสีนะครับ ใช้คำทุสินซึ่งไม่ใช่คำบรร nam คำด่าว่าอะไรทุสินแล้วมีศีลไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีทั่นนั้นเองสินไม่บริสุทธิ์ทุสินแล้วว่าด่างพร้อยนั่นนั้นเองเช่นดุมชรามากๆเมื่อดูคล้องสึกสก่วนก็มันก็เบลอรจริงไหมครับไปเสพหรือพูดเท็จบ่อยๆความรู้ตัวเพราะมันพูดเรื่องไม่จริงตลอดเวลาจิตสํานึกเกิ็แขวนขความไม่จริงมีเหลี่ยมคูตลอดเวลาพูดอะไรนี้ต้องต้องเพี้ยนไปจากความจริงตลอดแนวโน้มก็เพี้ยนออกไป ความรู้ตัวก็น้อยลงไปนอนในที่นอนนั้นอ่อนนุ่มสติก็อ่อนความรู้ตัวก็น้อยลงสิ่งอันนี้ครับเป็นอุตสาห์พระเจ้าก็บรรยายให้ในฐานะที่ศีลศีลไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับแบบทหารนะเป็นเพียงอะไรบางส่วนก็เรียกไกด์ลายเท่านั้นนะครับบอกศีลหรือวินัยค้ายๆก็เป็นราวสะพานครับคนแข็งแรงจริงไม่ต้องอิงราวสะพานแต่มีน้อยนะพูดไปก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผมไงแข็งแรงไม่ต้องไม่ต้องพึ้นวินัยก็ได้ สีเหล่านั้นวินัยหล่านั้นเป็นลาวสะพานสําหรับประคับประคองนเมื่อเราต้องเดินข้ามสะพานที่ข้ามยากปราศ จ, จ, จากลาวสพานแล้วอันตรายเกิดขึ้นได้ง่ายแต่แน่นอนสําหรับคนที่เข้มแข็งจริงๆริงร่างามีพลานามัยจริงๆริงเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมได้เลยหลายองค์ในธรรมบทที่ถูกนําเสนอกันไว้เป็นประวัติไม่ได้รักษาสีองค์ขริมานไม่ได้รักษาครับ พายะก็เหมือนกันแขมก่อนหน้านั้นเคยปฏิบัติหลอกลวงประชาชนด้วยครับพระพายะเนี่ยคือ ท, ท่านเป็นพ่อค้าแล้วก็เรือแตกพอขึ้นฝั่งไม่มีเรื่องทำมาหากินเลยกลั้งทำเป็นผ้าอรหรันทำใบไม้ ก, กลัดนุ่งแล้วทำทำท่าทีเป็นอรหรันประกาศตนเป็นอรหรันก็อยู่ดีกินดีขึ้นแต่วันดีคืนดีวันหนึ่งได้ยินข่าวว่าพุทธเจ้าจริงๆเรากิขึ้นแล้วท่านร้อนใจครับ แสดงเนี่ยชื้อผู้โสดิตยัยงแฝงอยู่จริงนึกออกว่า เ, เราหลอกเขาก่อนหน้านั้นไม่ตั้งใจจะหลอกแต่ว่ามันเป็นทางสะดวกทำมาหากินสะดวกดีเพราะเอกใจก็เดินทั้งวันทั้งคืนนะไปพบพระพุทธองค์กำลังแสวงหาบิณฑ บ, บาตอยู่นเข้าใจในในตลาดหรือในชุมชนก็ไปจับข้อเท้าแล้วถามสั้นๆซึ่ง คำตอบนั้นลือลั่นไปทุกนิกายของผู้ถามนานครับแม้มหายานก็อยองรับว่านี่เป็นยอดประจุคาตอบด้วยคําตอบยิ่งสั้นๆที่สุดทําให้คนพลิกชีวิตได้นะครผมไม่เชื่อเฉพาะภายยะเท่านั้นหลายคนพลิกชีวิตได้ด้วยคําพูดที่เหมาะอบเมื่อถามว่าปฏิบัติธรรมสิ่งถึงที่สุดทุกทําอย่างไรนะครับผู้ทร ง, งจัดห้ามสามครั้งบอกเวลานี้ไม่ใช่การเพราะท่านบินบาท จะมาเห็นกิริยาซึ่งแปลกประหลาดอุปนิสัยจริตซึ่งแปลกประหลาดของภา ย, ยะคืออยากไข้รู้อย่างรุนแรงนะครับอย่างท่ถ้าจะเตือนให้ตั้งสติให้ดีท่านจะพูดหลักโดยย่อเราพูดยอด่อเมื่อใดตายลูกสักจะเห็นคือจิตไม่ปรุงแต่งนั่นเองเป็นการเห็นซึ่งสมบูรณ์ไม่มีตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องเลยคนระับไม่มีภูมิหลังไม่มีการแยกแยะไม่มีการซ้ําเติมลงไปด้วยภาษาว่าฉันกําลังเห็นนะ นี่เป็น ค, ความคิดครับมีการเห็นอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยในตัวมันเองเมื่อใดตาตเห็นลูกศักดิ์แสงคือเห็นล้วนๆนะครับ hmm. หูได้ยินเสียงก็ได้ยินล้วนๆสมบูรณ์แบบไม่ใช่ไม่ได้ยินหรือได้ยินครึ่งๆกลางๆเมื่อใจจิตใจรู้ hmm. อารมณ์หนึ่งอารมณ์ได้ตัวนี้สําคัญที่สุดนคี hmm. ค, คือรู้ล้วนๆครับโดยไม่มีภูมิหลังเข้าไปจอบ ไม่มีความคิดแทรกซ้อนว่าฉันกำลังรู้ธรรมะถึงเกตดูเวลาเราสงบนะนั่งสมาธิจิตสงบนะมันพูดกับตัวเองว่าเอ้ะวันนี้สงบดีจังจิตมันจะวิาพากษ์วิจาร์ตลอดเวล า, ลาครับนั้นประเด็นแรกที่สุดข้อแนะนำเบื้องต้นที่สุดในการภาวนาครนะักเถอนเสียงกระซิบภายในสียงทุกทิบกับตัวเองนะครับไอ้ตัวนี้ร้ายดูมันโทษมันน้อยแต่ว่ามันรบกวนมากมากครับ พอน่งก็เริ่มสงสัยครูบาอาจารย์สอนจริงๆแล้วอ๋อแล้วมันเริ่มมันเริ่มหลอกล่าพอเริ่มดูจิตมันจะภาคด้วยครับเราก็มังดูจิตนะเราก็มังดูความคิดแล้วพอสงบนิดนึโอ้โหความความสงบดีจังเลยตัวตนมันก็โตขึ้นเรื่อยๆครับผู้ดูมันก็แผดพยาดแล้วเริ่มยากเพิ่มสอนยากครับเพราะมันตัวอาหางการอาหางการนั้นจบที่ไป่ได้ครับ ค่อยคำสั้นๆที่พระเจ้าจัดกับพระพายะประมวลสรุปสุดท้ายว่าเมื่อเธอทาอย่างนั้นเมื่อได้ตายลูปสักแต่เห็นไม่มีความคิดจูงแต่นนั้นเป็นการเห็นที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ในตัวมันเองครับตัดอดีต อ, น, น, อ น, น, นาคตออกแม้แต่ปัจจุบันก็ไม่ไม่ไม่รบกวนด้วยความคิดกระซิบกระซาบหูได้ยินเสียงจับกระดิ่งจิตใจรู้อารมณ์ใดก็สักแต่รู้รู้ล้วนรู้เฉยๆนะครับ เมื่อ น, นั้นเธอจะไม่ปรากฏในโลกนี้หรือโลกหน้าหรือในโลกท่ามกลางประโยคหลังเนี่ยสำคัญครับเธอคือใครเธอคือความหมายรู้ตัวตนนั่นะครับรัฐพลังเขาเรียกคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับตัวเองนะซึ่งเราฝังนั้นนิดติดไอ้ตัวนี้มันตัวมายาครับพูดไปแล้วถ้าทำอยู่อย่างที่พระเจ้าแนะไอ้ตัวนี้ก็จบสิ้นเลยตัวตนที่บรรลุทำก็ไม่มี ดังนั้นคําประกาศของทิศนีรูปหนึ่งน่าสนใจในะที่วชิลาครับว่าการเดินมีแล้วผู้เดินไม่มีถ้าคำเป็นตรงง่ายและลึกการกินมีแล้วผู้กินไม่มีทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปผิดจากนี้แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับถ้าคออําเหล่านี้คมกริบที่จะตัดเขินในความลังเลสงสัยไหม แต่เรามีนิสัยเจติดอันหนึ่งคือที่สงสารขี่ระแวงเราอาัตระแวงได้ไหมกับพระเจ้านะอย่าทาเล่นกับตัวหังการนี้นะถึงเมื่อความสิ้นระแวงต่อพระพุทธพระธรรมสิ้นไปตรงนี้ฐานะอันนี้ถูกรับรองจากพรุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันเึ็นผู้สิ้นเครือบแคลงในพระพุทธ พ, พระพุทธเจ้าพระธรรมที่ท่านตรัสรู้ตรงรแสดง ประสงค์ผู้ปฏิบัติตามคัลองนั้นพร้อมทั้งศีลที่พระเจ้าชอบใจพวกนั้นคือศีลมีศีลเพลี้ยนหนึ่งนะที่พระเจ้าชอบใจคือเป็นศีลปกติของชีวิตอันนี้เป็นอั ต, ตนาขอยางผมนะฮะไม่ใช่ศีลข้อบัญญัติเพื่อความเรียบเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมแบบวินัยของตำรวจหรือทหารไม่ใช่อย่างนั้นบางคนอาจจะมีศีลมากแต่ไม่ใช่ศีลที่พระเจ้าชอบใจเช่น ไม่กินอาหารเลยอาทิตย์หนึ่งหรือแบบโยคีเขาปฏิบัติเข า, ารักษาศีลเคร่งครัดนะครับการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของโยคีที่เมืองลิสติเกตเขาอยู่ริมภูเขาอมาลายพอแจกข้าวเข า, ข า, ขาเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ดินอมาลัยเงเทนิบแล้วกลับมากินอาหารหลังหายไปเดือนกลับมาหายไปสเดือนกลับมากินเีงแลหายไปทั้งชาติเลยครับเขาคิความตายเช่นั้นจะไปรวมกับองค์พระเจ้า ศเช่นนี้พระฤาเจ้าในพุทธศาสนาะไม่ชอบกันเพราะมันไม่ใช่เงื่อนต้นของดรงจรรําเนี่ยศีล mm hmm. ที่พระเจ้าชอบใจพระฤาเจ้าชอบใจก็คือศีลที่เรียกว่าอาธิครรมประจำแล้วตั้ง mm hmm. แต่การสารวมอินทรีย์รู้จักการบริโภคกประพฤติคำเรืเครื่องตื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนื่องกับการปลุกดวงจิตให้ตื่นขึ้นศีลอัน น, นี้สําคัญ สีแปลว่าปลกติสม่ำเสมอคือปฏิบัติอยู่อย่างนั้นอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่สามวันดีสี่วันข่าสีเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวครับความผิดพลาดซึ่งคนอื่นต้องมาปรับอาบัดนั้นเป็นสีเครื่อ ง, งนอกครับแต่เป็นสีนของความปกติภายในซึ่งเจ้าตัวเท่านั้นจะรู้ครับแต่ไงก็ตามนะครับเมื่อมีการตั้งสติดูความคิดตั้งใจที่จะสารวจลึก ตำรวจอย่างทองแท้แล้วความปกติจะปรา ก, กับขึ้นเองแสดงว่าวิปัสนาทําให้เกิดศีลได้ครับดังนั้นผู้จ้องจอดว่าอย่าดูแคลนปัญญาบางคนอาจจะดูไม่เคร่งครัดในศีลแต่ไม่ใช่เขาจะไม่รู้เรื่องลึกของชีวิตนะอย่างก่อนมีภาษาลิบุรอาจารย์ลุงอรานเขาแก้ต่างให้ว่าท่านชาติกวามท่านเกิดเป็นลิงเพราะเมื่อท่านเดินไปเห็นแอ่งน้ำนัากระโดดเลย ดูคล้ายๆไม่สัมรณ์สนี้เราต้องระมัระวังให้ดีนะครับแยกแยะว่ารูปการภายนอกรูปแบบที่ครูบาอจารย์เราเป็นหรือรูปแบบของการภาวนามีความสําคัญน้อยกว่าเนื้อหาภายในถ้าเรายึดถือรูปแบบภายนอกว่าสําคัญกว่าเนื้อหาภายในมันจะบทบังจนโตไม่ขึ้นครับไปเห็นเปลือกเป็นแก่นเห็นทุกที่เป็นแก่นไป สาระสำคัญที่สุดในการภาวนาก็คือรู้ตัวรู้ล้วนๆโดยไม่แยกแยะข้อนี้ผมก็นำมาสามเชื่อมกับชั่วโมงก่อนนะครับที่ว่าเมื่อเราจเจริญสีนั้นเราต้องพิจารณาด้วยทุกอย่าตำหลักดั้งเดิมศาสนาพุทธแบบคมเทเรียลออร์เทดอคือคือระบบดั้งเดิมที่เราเรียนมาก็คือพุทธสมาธ เละนิวรณห้าซึ่งเป็นอุปสรรคลายแรงเทียบด้วยพยามาณและเตนานะครับเมื่ออุปสรรคลายแรงหรือสิ่งที่ได้ น, นิวรณห้าระนับแล้วจิตบรรลุฌานหรือเฉียดฌานเป็นอัปนาหรือหรือใกล้เฉียดฌานหรือเข้าไปถึงฌานแล้วถอนตอนถอนขึ้นมาอาศัยพลังของฌานที่ไม่ได้ทําแล้วซึ่งเลิกทําแล้วนะครับพิจารณาโลกพิจารณาขันห้าใ่าง่งจ่ายหลัก กกลักเณฑนี้รู้กันทั่วในฝ่าเจริญว่านะครับดูว่ามันเป็นหลักดั้งเดิมพิจารณาเนี่ยแต่หลักคือพิจารณาเห็นว่าฐันห้านั้นตั้งแต่รูปจนถึงยินยามนั้นไม่เที่ยงเจนนนตานในบทส่นมนุนไม่มีคำว่าทุกนะทุกนั้นเป็นเป็นบทผนวกเพื่อสามเชื่อมกับวาระจิตของมนุษย์เท่านั้นแต่โดยสัตจธรรมธรรมชาติไม่มีคำว่าทุกอ น, นิจจังกับอนัตตาเท่านั้นรูปเป็นอนิจจัง ลูกเป็นอนัตตาเวทนาเป็นนิจาเวทนาเป็นอนัตตาในบทนั้นไม่มีคำบรรทุกเนียเมื่อพิจารณ า, านี้แล้วก็มีความเชื่อว่าจะคลายกําหนัดคลายออกสิ่งเคยึดติดก็คลายออ ก, ค, ยย ก, ค, ลออกคลายกําหนัดนิพพิทาวิราคะวิมุตถหลุดพ้นรู้ตนหลุดพ้นนะบทเช่นนี้ชาวพุทธเทราวารู้กันทั่วไปหมดครับเป็นทฤษดีบท เป็นลักษณะของ a c a เ e m ดมิกการสอนเป็นลำดับขั้นตอนแต่ผมว่าเต็มไปด้วยอุปสรณ์สอบพิษดีนี้และโดยเฉพาะยิ่งตอนพิจารณานั่นเองจิตที่ยังติดยึดในอารมณ์อยู่พิจนารณาจะติดทันทีครับพิจารณาไม่ได้ในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าว่าผ่านประตูเข้าไปแล้วการการเห็นนี่มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติสิ่งสาคัญความจริงไม่ได้เกิดจากการพิจารณา ไม่ใช่พิจารณาแล้วจึงเห็นไม่ใช่คิดแล้วเห็นแต่เห็นสิ่งสภาวะทึ่เป็นอยู่แล้วดังนั้นแสดงไม่เกี่ยวข้องกับความคิดการเห็นที่สมบูรณ์นั่นเองอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นไม่ใช่เราต้องมานั่งพิจารณาว่าสิ่งนี้เป็อนอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ว่ามันเป็นอนัตตาเมื่อเราพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาสมมติเราย้อนมาดูที่สภาวะในตัวเรานะครับ อ น, นิจจังทุกขงกังนัตตาเป็นอยู่โดยมีชื่อครับเป็นอยู่แล้วโดวยมีที่ทำมาบัญญตัติถูกบัญญัติขึ้นทีหลังเช่นอาการกคลิบตาหายไปเข้าใจออกนิ่งไม่ได้ขยับขยื่นนี่คืออาจารย์อนิจจังพอควบคุมเข้าคุมไม่ได้นานร่างกายสั่นเทิมขึ้นมาเป็นนั่งนิ่งสักก่อนลวงความเตาที่ผมเข้าใจก็คืออ น, นิจจังทุกขงกังนัตตาซึ่งเป็นลักษณะสากลญของสรรพสิ่งนั้นเป็นอยู่แล้วโดวยไม่มีชื่อครับพระเจ้ามาเปิดเผยขึ้นมาดังนั้น ถ้าไปคิดนานขึนอีกการเป็นซ้อนกข้าไปการเอาสัญญาเข้าไปซ้อนเข้าไปจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามนะครับแต่ผมเข้าใจอย่างนั้นจริงๆว่าการชำระให้มีการเห็นจ่บริสุทธิ์ขอบเพียงเลยครับที่จะเข้าใจความหมายในส่วนสุดเกินนอกความคิดนะครับว่าอ น, นิจจังทุกขังนักตามหมายถึงอะไรโดยไม่ต้องมีความคิดเลยตราบใดที่มีความคิดอยู่อ น, นิจจังทุกขังนักตายัางเป็นของเพียมครับ ยังเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นในใจริงๆนี้เป็นการตัดตอนดนั้นความรู้อันนี้นียไม่สมบูรณ์ครับจริงๆไม่มีอะไรที่ไม่เที่ยงครับความไม่เที่ยงก็ไม่มีครับมีอะไรบางสิ่งมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆไม่ไมจบไม่สิ้นขอมันมนันไม่มีสามารถตัดตอนได้เราราวลาเราคิดบอกว่าขนมปังชิ้นนี้เป็นเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาดังนั้นความรู้ของเราเกิดการแยกแยะฉีกส่วนหนึ่งมาพิจารณา เป็นการศึกษาเป็นกรณีเท่านั้นนั้นผลจึงแค่ความระงับเท่านั้นครับไม่สามารถเข้าใจสภาวะทำทั้งหมดได้